นะโมสติภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมสติภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส่ะนะโมสติภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอยังปิโขพิกเวอาณาปานสติสมาธิภาวิโตพระหุริกาโตสันโตเจวะปณีโต สุโขจะวิหารอุปปนุปเนจะปาปเกอากุสรธรมเเมทฐานะโสอันตรธาเปติอุปสเมตติอิ ณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองน้ำใจศรัทธาของญาติโยมท่านสาธุชนซึ่งพาตนมาสู่วัดปริโรวงสาวาตใช้โอกาสวันสำคัญคือวันพระเป็นวันแห่งการเข้าถึงธรรมะ ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่เอาไว้ในวันนี้มีคณะท่านสาธุชนหลายคณะด้วยกันคณะแรกได้แก่คณะอุบาสกอุบาสิกาชาววัดประยุระวงศาวาสญาติโยมทั้งหลายเหล่านี้ ไม่เคยทิ้งวัดมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระอีกคณะหนึ่งก็คือคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจในวันนี้มีคุณชันชัยชูชื่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองตรวจและปฏิบัติการพิเศษที่สามสำนักเทศกิจได้มาพร้อมจิตพร้อมใจกัน เพื่อสดับกับฟังพระธรรมเทศนานอกจากนั้นก็ยังมีโยมญาติซึ่งได้หาโอกาสมาศึกษาธรรมะธรรมโมด้วยการฟังพระธรรมเทศนาการฟังนั้นเป็นวิธีการศึกษาประการหนึ่งซึ่งจะรับเอาสดับเอาคาที่พระท่าน ได้เทศนาจดไว้บ้างจำไว้บ้างแล้วนำไปลองปฏิบัติดูลาพังแต่การฟังเท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นการศึกษาการศึกษาการเรียนที่แท้จริงนั้นต้องอยู่ที่การปฏิบัติลงมือปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ชื่อว่า เข้าถึงการศึกษาที่แท้จริงเมื่อ น, นั้นเพราะว่าการลงมือปฏิบัติจะทำให้เราได้รับอะไรหลายอย่างด้วยตัวเราเองการที่เราเห็นด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองนั้นก็เท่ากับว่ารเราได้น้อมนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าจัดสอนที่พระพิสุสมมเนนท่านได้เทศนาว่าการไปนั้น น้อมเข้ามาสู่ตัวของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมเข้ามาในตัวก่อนเรียกกันว่าโอปันญิโกธรรมโมธรรมะจะต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาใส่ใจพอน้อมเข้ามาใส่ใจปฏิบัติใจจะเกิดสันทิติโกคือการเห็นจริงการเห็นแจ้ง ไม่ใช่เห็นจำเท่านั้นแต่จะเห็นจริงและจะเห็นแจ้งการฟังได้จำได้ชื่อว่าการเห็นจำท่านนาไปปฏิบัติแล้วเรียกกันว่าทำจริงคือเห็นจริงปฏิบัติไปแล้วก่อให้เกิดผลดีอย่างไรเรียกกันว่าเห็นแจ้งต้องมีสามชั้นอย่างนี้ ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพัฒนาธรรมะซึ่งได้สดับสนับฟังไปจากวัดปยิยรวงศสาวาทนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติให้ก้าวหน้าเป็นชั้นๆไปชั้นต้นคือชั้นปริยัติชั้นกลางคือชั้นปฏิบัติและชั้นสุดท้ายคือชั้นเห็นผลเรียกชั้นปฏิเวทอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดปยิยรวงศสาวาท ซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจคุณพระพรมบัณฑิตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดปยุโรงสาวาดขออนุโมทนาต่อญาตยมทุกคณะที่กล่าวมาแล้วนั้นขอให้ญาติโยมทุกท่านจงลำลึกนึกถึงตัวเองด้วยความภาคภูมิว่าท่านทั้งหลายนั้นไม่ประมาทหาโอกาสมาศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะและมีการพิสูจน์ว่าผลแห่งธรรมะนั้นก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ชีวิตของท่านทั้งหลายอย่างไรวันนี้อาตมาภาพจะนำเกี่ยวกับเรื่องความอัศจรรย์ของลมหายใจโดยจักได้พรนาตามในแห่งอุเทศภาษิต ที่เดนนี้คิดคือวางไว้ในตอนต้นซึ่งเป็ น, ปร พ, น พ, พระพุทธนพนพระพุทธนิพน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอยังปิโคพิกเวอาณาปานสติสมาธิภาวิโตพระูริกโตสันโตเจวปนีโตเป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระพิสุหรือพุทธบริษัทในครั้งกรนนั้นมีใจความโดยย่อว่าดูกระพิสุทั้งหลายสมาธิอันเกิดจากอาณาปานสตินั้นถ้าหากว่าพิสุจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วทำได้จนใจเย็น ทำจนประนีตจะอยู่เป็นสุขและอาณาปานสติสมาธินั้นจะเป็นตัวทําให้าบาปอกุศลที่เกิดขึ้นบ่อยๆ อ, อันตรธานไปสงบระงับดับไปเหมือนกับละอองหรือฝุ่นที่ฟุ้งในเวลาฤดูร้อนในยามร้อนนี่ เวลาเราไปในต่างจังหวัดจะเห็นว่าที่ใดก็ตามไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้เป็นหน้าดินแดงๆเนี่ยเวลาลมพัดมาจะมีละอองมีฝุ่นฟุ้งไปหมดว่าเหมือนกับการที่ฝุ่นละอองที่ฟุ้งไปในยามร้อนต่อเมื่อฝนหาใหญ่ตกลงมา ฝนจะระงับดับฝุ่นระอองฉันใดอาณาปานสติก็จะทำให้อารมณ์ใจของเหล่านั้นซึ่งเป็นอกุศลระงับดับไปฉันนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ตัดที่ไหนและโยมเล่าให้ฟังกันหน่อยตัดที่เมืองเวสาลีเวสาลีก็ใกล้ๆกับเมืองราชครื ใกล้ๆกับเมืองสาวัตถีแฟนโกสนนั่นแหละถ้าหากว่า ญ, ญาติโยมเดินทางไปไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียก็จะพบว่าเมืองทางประวัติศาสตร์เหล่านี้อยู่ใกล้ๆกันพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์หมู่ใหญ่ไปประทับอยู่ที่เมืองเวสาลี วันหนึ่งพระพุทธองค์ก็เห็นว่าพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกามาเป็นจำนวนมากพระองค์ก็จึงรับสั่งพระอานอนท์ให้พระอานอนท์นั้นประชุมพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้มาประชุมพร้อมกันณนะสาลาใหญ่แห่งหนึ่งเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้นำเรื่องอนาปานสตินี้ทรงชี้แจงกับพิสูนทั้งหลายว่าดูกระพิสูนทั้งหลายสมาธิที่ได้จากอนาปานสตินี้ดีนักขอให้พวกเธอเนี่ยฝึกทมนะทำให้มากทำให้ใจของเรามีความเยือกเย็นแล้วจะอยู่เป็นสุขที่ทำนองนี้ พุทธบริษัทได้สดับตรับฟังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่พุทธบริษัทในครั้งกระโน้นให้ความสําคัญต่อคําสอนพราะพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไรจําได้จะต้องนําไปปฏิบัติก็ปรากฏว่าท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้รับอนิสงส์หลายอย่าง พระพุทธเจ้ากระตัดย้ำไปว่าอาณาปานสติสมาธินี้ไม่ใช่จะปฏิบัติกันได้เฉพาะในวงการของพระเท่านั้นนะแม้แติวันณะทั้งสี่วันณะทั้งสี่คืออะไรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดหมายความว่าใครจะมีอาชีพอย่างไรทำหน้าที่อะไรปฏิบัติได้ทั้งนั้นบรรดากษัตริย์ ซึ่งเป็นนักปกครองมีกองทหารใหญ่โตก็ให้ตํารวจทหารขร้าราชการเหล่านั้นทมหรือว่าจเจริญอาณาปานสติหรือว่าถ้าเกิดเป็นนักวิชาการเป็นพราหม์เป็นครูบ า, าอาจารย์ไปสอนลูกศิษย์ก่อนที่จะลงมือสอนก็ขอให้จเจริญอาณาปานสติแม้แต่นักธุรกิจ ทำการค้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเช่นอนาธิมินิกะเศรษฐีหรือนางวิสาขาก็เหมือนกันก็จะต้องขยันในการเจริญอาณาปานสติแม้แต่ผู้ที่ใช้แรงงานเหมือนกับวันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านไปเป็นวันแรงงานแห่งชาติแม้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ใช้แรงงานได้มีโอกาสมาฟังธรรมะ แล้วก็สงบจิตสงบใจคงจะไม่เสียแรยงเสียเวลาไปกับการเต้นแรงเต้นกาอยู่ตามที่ต่างๆเต้นแรงเต้นกาไม่ว่ากลับไปไม่ถึงบ้านก็มีเป็นจํานวนไม่น้อยเมาขับรถตกถนนบ้างอะไรบ้างต่างๆอย่างนี้เพราะไม่ได้ฟังเรื่องอาณาปานสติ พระพุทธเจ้าตัดให้วันณะทั้งสี่คือคนหลากหลายอาชีพว่าขอให้เจริญอาณาปานสติกันเถิดถามว่าเจริญแล้วมันได้อะไรย่าจงกลับมาที่ตัวของเราก่อนอาณาปานสติก็แปลว่าการควบคุมลมหายใจเข้าออก ทุกขณะที่เราหายใจเข้าออกมีความรู้สึกตัวบอกได้อย่างถูกต้องหายใจเข้าก็รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกบอกได้ว่าขณะนี้หายใจออกบอกได้จนกระทั่งว่าลมหายใจสั้นหรือลมหายใจยาวหายใจเบาหรือหายใจหนักเรามีสติกาหนดรู้ดูได้ตลอดเวลานี่คือ สมาธิก็จะเกิดขึ้นจากลมหายใจเข้าออกสมาธิเป็นอาการตั้งมั่นของจิตจิตก็จะไม่หวันไหวจะไม่วอกแวกจะไม่วู้ไปตามอารมณ์รักจะไม่วู้ไปตามอารมณ์ชังเพราะว่าจิตตั้งมัน่นเหมือนกับเสาหินที่เขาฝังเอาไว้ในดินลึ ก, ลก ลมจะกันโชคมาหรือจะมีวัวมีควายเนี่ยวิ่งมาชนเสาหินเหล่านั้นมันไม่โค่นไม่ล้มไม่เซข้อนี้ฉันใดใจที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นใจที่มีสมาธิมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงเราจะทำกันตอนไหนดีมีบางท่านบอกว่าวันวันหนึ่งทำแต่งานจะมีเวลาทำได้อย่างไร พระท่านก็เทศเรื่อยไปไม่เห็นใจเราบ้างเราทำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่มีเวลากำหนดลมหายใจเข้าออกก็เคยถามว่าโยมอย่าไปคิดเช่นนั้นวันวันหนึ่งเราต้องหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่หายใจแล้วเราจะตายทันทีเพราะร่างกายของเราต้องการลม หายใจเข้าก็เติมออกซิเจนเข้าไปหายใจออกก็คายสิ่งที่ไม่ดีออกมาในขณะที่เราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นควรจะเริ่มต้นที่บ้านของเราซสก่อนก่อนจะนอนโยมอย่ารีดนอนได้ไหมถ้าเกิดมันง่วงจริงๆแล้วก็นอนตะแคงขวาแล้วก็หลับตา นึกมาที่ปลายจมูกของเราหายใจเข้าหายใจออกนี่กำหนดเอาไว้จะมีคำว่าพุทธโธหรือไม่ก็ไม่ว่ากันพุทธก็ได้โธก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกเราต้องวางท่าทีของใจให้เฉยเฉยไม่จ้องที่จะดูเกินไปไม่เกร็งจนจะทำให้ ให้เกิดเพราะว่าความอยากจะรู้ดูเฉยๆวางท่าทีสบายๆแล้วก็ลองกำหนดรู้ลงไปการหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งโบราณท่านสอนให้ลูกให้หลานพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความสะอาดให้มีความมั่นคง ให้จิตของลูกของหลานท่านนั้นเหมาะควรแกการงานจะทำกิจการงานใดใจเป็นเครื่องมืออันวิเศษทำให้กิจการงานนั้นนั้นสำเร็จได้เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเพราะว่าจิตใจมีสมาธิอันเกิดจากอาณาปานสติผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ล อ, ลองไปถามท่านดูเถอะท่านจะบอกเลยว่าท่านทำด้วยจิตอันเป็นสมาธิอตมาจะเล่าให้ฟังท่านจะคุณจเจ้าวาดของเรานี่แหละท่านเป็นสมณีนสอบป ร, ริญธรรมเก้าประโยคได้แล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าวันที่ท่านสอบนั้นท่านพบปัญหาคือพอได้รับปัญหาจากคณะกรรมการ พระเนนจะไปนั่งรวมกันที่ศาลาสําหรับสอบพอถึงเวลาเขาจะนำปัญหามาแจกแจกก็คือองค์ละหนึ่งใบหนึ่งฉบับปัญหาก็เหมือนกันท่านบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะปัญหานี่มันผ่านตาเรามากมั้งหรือเปล่าน้อแต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิ เห็นปัญหาท่านก็ทำทาสมาธิวางอันตรายกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่คิดถึงเรื่องง่ายไม่คิดถึงเรื่องยากไม่คิดอะไรทั้งสิ้นทำจิตเป็นหนึ่งสติตอนนั้นนะฮะดึงเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาระดมกำลังในใจของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งดึงเอาเรื่องอนาปานสติมา สตินี้มันทําหน้าที่ในการไปล้วงในการไปเชิญเอาสิ่งที่ดีๆมาช่วยเรานะยามที่เราเดือดเนื้อร้อนใจฉลัยสติมีความรู้อยู่ความรู้ก็เป็นหมันมีปัญญาปัญญาก็เป็นเหมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ามีสติแล้วเช่นคุณโยมจเจริญอาณาปานสติบ่อยๆเนี่ยสติจะไปทําหน้าที่ ไปจับเอาสิ่งที่ดีมาเตือนใจเราไปเชิญเอาปัญญาไปเชิญเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเกิดไม่มีสติซะแล้วนี่ความรู้ปัญญามันก็มาไม่ได้ความรู้หรือปัญญาเนี่ยมันเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเองไม่ได้มันเหมือนกับรถลากถ้าไม่มีหัวลากแล้วนี่ไอ้ตัวขบวนที่อยู่ข้างหลังมันไปไหนมาไหนไม่ได้ ต้องมีสติพอท่านได้สติเช่นนี้สมาธิท่านก็เกิดมองเห็นปัญหามีความเจ่นแจ้งกระจ่างข้อความต่างๆผุดขึ้นมาในจิตใจท่านหมดเลยนี่ท่านเราใฟังแล้วสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของท่านไม่ว่าจะบริหารงานในตำแหน่งไหน บริหารได้ประสบผลดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะท่านมีสมาธิคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนจิตใจท่านอยู่เมื่อวานตมาไปงานของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นราชบัณฑิตปีนี้ท่านทำบุญอายุ84ปี ในตอนต้นก็ไม่ได้สนทนาอะไรกับท่านมอบของให้ท่านแล้วก็ต้องขึ้นไปข้างบนเป็นพระในพิธีจนกระทั่งพิธีจบได้ฉันพระตาหารเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินแวะไปหาท่านไปถามท่านว่าขอประทานโทษถ่อท่านอาจารย์แปดสิบสี่ปีแล้วความจำก็ยังแกว กำลังวังชาก็ดูแข็งแรงดูหน้าตากระชุ่มกระชวยแล้วเกินถามว่าทานยาอะไรบอกจะมาบางสิท่านบอกเลยท่านบอกว่าผมไม่ลืมลมไอ้ที่ทานยาวิเศษก็คือลมหายใจเข้าออกท่านพูดอย่างนี้เลยแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งง่ายๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทานให้กเราไว้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่กลับมองข้ามแล้วตวมาก็ถามว่าทาเวลาไหนนะท่านอาจารย์เวลาสบายๆที่สุดก็คือตอนก่อนนอนและตอนตื่นนอนทว่าทมเท่านี้บางทีว่างๆพอละลึกนึกได้ก็ทำไปเอาใจมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนี้แล้วท่านพรรณนาอานิสงส์ว่าสุขภาพร่างกายของท่านก็แข็งแรง รับประทานอาหารอร่อยออร่อยใจเริ่มจะหลงเมาในอาหารลำลึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกบอกตัวเองว่าเท่านี้ก่อนนะรู้จักประมาณขึ้นมาอีกบางครั้งจิตกำลังไหลไปตามอารมณ์ในอดีตเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าสมองบอกตัวเองว่าเอานึกถึงลมหายใจเข้าออกไ้นะ ทุกครั้งที่ล้ำลึกนึกถึงลมหายใจเขาออกก่อให้เกิดสติและสตินี้จะตัดกระแสที่ไม่ดีต่อจิตใจไม่ว่าจะเป็นกระแสรัรกไม่จะเป็นกระแสชังไม่อาจะเป็นเรื่องร้ายไม่าจะเป็นเรื่องชังหรือว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีทั้งหลายนีย่ที่มันมาเขย่าจิตใจเนี่ยสติมันจะตัดกระแสทั้งหลายเหล่านั้น ทำให้จิตของเราเป็นอิสระมีความเป็นไทยใจไม่ตกเป็นธาตของกิเลสทั้งหลายเช่นไม่ตกเป็นธาตของความโกรธคุณโยมจำไว้ว่าพอใจเริ่มจะชิงชังไม่ยินดีไม่ปรีดาไม่ปราบลื้มอะไรสักอย่างหนึง่งใจเริ่มขุนมัวใจเริ่มโกรธใจเริ่มคิดลายขอให้คุณโยมนั้นล้ำลึกนึกถึงลมหายใจไว้ก่อน โบราณท่านสอนให้นับไว้เวลาจะไปโกรธใครให้นับหนึ่งถึงสิบนับไปเรื่อยๆนับไปนับไปนับไปใจก็จะคลายจากคนที่เรากโกรธคนที่เราไม่พอใจเมื่อก่อนพ่อแม่ท่านสอนอาตมาก็ถูกสอนเหมือนกันบอกว่าวันวันหนึ่งให้นึกถึงหงษ์ทอง ถ้าเป็นในปัจจุบันนิยมคงจะมองเป็นอย่างอื่นหงทองมไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องสุลานะฮะแต่ว่าพ่อแม่สมัยก่อนท่านบอกลูกบอกหลานว่าลูกเอ้ยวันวันหนึ่งให้ลำลึกนึกถึงหงทองหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปหมายความว่าอะไรตัวหนึ่งอยู่ก็หมายถึงหายใจเข้าตัวหนึ่งไปก็หมายถึงหายใจออกให้มองลมหายใจเป็นภาพของหงทอง ที่มันบินเข้ามันบินออกอย่างนี้ใจก็ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีไม่ถูกความโรคความโกรธความหลงโจมตีทำให้จิตของเรานั้นเป็นไทยไร้กิเลสทั้งหลายที่จะมาสร้างความเคยชินในทางไม่ดีให้กับเราอันว่าความโรคความโกรธความหลงนั้น ถ้าหากว่าเราปล่อยให้เกิดที่ใจบ่อยๆใจจะมีความเคยชินกับมันกิเลสเหล่านี้มันทิ้งความเคยชินเอาไว้ในใจโรคบ่อยๆมันก็ทิ้งความโรคเอาไว้ในใจโกรธบ่อยๆมันก็ทิ้งความโกรธเอาไว้ในใจมัวเมาหลงไหลในเรื่องต่างๆบ่อยๆมันก็ทิ้งความมัวเมาหลงไหลเอาไว้ในใจเรียกกันว่าความเคยชินนะ พอมีอะไรผิดตาโกรธเคยชินอย่างนั้นพอมีอะไรสวยๆอยากได้ทันทีบางคนได้จนทนไม่ไหวไปปล้นเขาออกมาก็มีไปจี้ออกมาก็มีความเคยชินเหล่านี้เป็นความเคยชินของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอาณาปานสติสมาธินี้จะทําให้บาปอากุศลอันตรธานไปจากใจระ ง, งับสงบระ ง, งับ ไปจากใจของเราถ้าหากว่าคุณโยมสามารถทำได้ถึงขั้นนี้แล้วจิตของเราก็จะสะอาดในที่นี้สะอาดเป็นที่มาของอะไรสะอาดกายจเจริญวัยสะอาดใ จ, จเจริญสุขเหมือนชีวิตของท่านศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐแปดิบสีป่ปีสุขภาพแข็งแรงความจำยอดเยี่ยมยังสอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหาได้สบาย ก็เพราะว่าท่านไม่ลืมลมหายใจเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายฝึกทำเป็นประจำทุกวันแล้วท่านจะได้รับอานิสงส์เช่นเป็นคนใจเย็นมีอะไรมากระทบพบสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่โกรธไม่ขุ่นเคืองอันเป็นเรื่องทำลายความสงบของเราโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อน จะนั่ง น, นอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใยแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครต้องโทษใจของเรามันเข่าเองเพราะใจของเราไม่มีสติใจเขาเราขาดสมาธิขาดความเข้มแข็งขาดความมั่นคงทรงตัวฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้เรียกกันว่าเข้าถึงธรรมะ ผู้ใดใครก็ตามปฏิบัติธรรม ร, รมจะรักษาผู้นั้นผู้ที่มีธรรมะรักษาจะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเท่ากับว่าท่านนั้นมีกัลยาณมิตรอยู่ติดตัวคือมีธรรมะทำเท่านั้นกันคนให้พ้นผิดทมเท่านั้นกันจิตไม่ให้เผลอทำเท่านั้นกเเนันกโลกไมเเ่ให้เส คนไม่เป๋เพราะทมป้องคุ้มครองคนพระธรรมเทศนาว่าด้เรื่องความมหัศจรรย์แห่งลมหายใจเข้าออกซึ่งมีในดังที่ชี้แจงแสดงมาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดเพีงพระธรรมเทศนา ขออนุภาพคุณประสีรัตนตรัยเป็นใจความว่าขอเดชะพระพุทธรัตน์จงช่วยกําจัดทุก์เจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์จงช่วยกําจัดพานให้ไปสารผุดผ่องพนผองภัยขอเดชะพระสังขารัตน์จงช่วยกําจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไข ขอเดชะพระรัตนตรยัยขอยท่านทั้งหลายเจริญวยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดอันไม่เหลือวิสัยสามารถคอยความประสงนั้นนั้นจงพลันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทสนาบรรหารดังที่ชี้แจงแสดงมาขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็งมีด้วยประการฉนี